วิจารวิจาระนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าศักทวิทยาจึงไม่ใช่เป็นคำใหม่แต่เป็นคำที่มีใช้แล้วในสมัยเป็นทันทันตีร่วมมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียครั้งพุทธกาลเองก็งมีพวกเจ้าลัทธิที่บัญญัติเรื่องการคาดคเนการใช้เหตุผลในการนิยามสัจจ์ พวกเจ้าลัทธิพวกนี้ปรากฏอยู่ในพุทธศาสนาเราเรียกชื่อว่าพวกนี้เป็นพวกสุทธะสุทธะตักกีกัพวกสุทธะตักกีกัหรือเรียกกันในภาษามรรคก็พวกตักกีปักกีคือพวกเจ้าของเจ้าความคิดเจ้าความนึกเจ้าพวกเจ้าคอยหมองความเจ้าพวกที่ใช้เหตุให้ผลอาศัยหลักของเหตุผลมาวิจารณ์ในเรื่องข้อเท็จจริงของสัจจะ บางทีข้อวิจาร์อันนั้นก็เป็นการข้อวิจารณ์ในเรื่องของอัตตาเรลยมากเช่นในทิพย์ที่62ท่านแสดงถึงว่าพวกสัตตะวาทีคืออาจารย์ที่ถือว่ามีอัตตาเรียกพวกนี้แบ่งเป็นหลายชั้นด้ยวยกันในจําพวกที่แบ่งเป็นหลายชั้นนั้นจําพวกหนึ่งเป็นพวกตักจีคือใช้หลักตักตะวิจารณในการที่จะพิดสูน์ว่ามีอัตตาพวกใช้ปักะวิจารณในการพีดสูตรพวกมีอัตตานี่แหละ ท่านยังแบ่งต่อยออกเป็นเนื่อพวกที่เป็นใช้อนุสอนุสติกาคือใช้หลักอนุสติตามระลึกไปยกท่านยกตัวอย่างว่าตามระลึกถึงเรื่องราวที่ในเรื่องชาดุที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าในอดีตปชาติสวยประชาร์เป็นพระภูติสัตดองค์นั้นองค์นี้แล้วก็คิดขาดเสน่ไปตามว่าเมื่อพระภูติสัตว์ชื่อนั้นชื่อนี้คืออดีตะพบ ของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ถ้าเช่นนั้นแล้วอัตราของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันกับอัตราของพระภูติสัตวในอดีตนั้นต้องเป็นอัตราอัตราเดียวกันเพราะฉะนั้นอัตราจึงเป็นของเที่ยงอันนี้เป็นบาทะอันหนึ่งของผู้ที่ใช้อนุสติใช้หลักตรัสถในทางอนุสติตามบรรลุเทียบเทียงอีกผวกหนึ่งเป็นชาติอนุสรณญาณใช้ตามบรรลุชาติได้ พวกนี้ได้แก่พวกที่ทำฌานทำสมาบัติตามระลึกชาติถอยหลังไปสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างกลับหนึ่งบ้างยิ่งกว่ากลับบ้างลอยกลับบ้างพันมหากลับบ้างเมื่อตามระลึกไปก็เห็นตัวเองไปเกิดเป็นหมูเป็นแมวเป็นหมาเป็นพรมเป็นเทวดาเป็นอินเป็นยมเป็นยักษ์ต่างๆนานาก็เลยคาดคะเนว่าอัตราของตัวน่ะเที่ยงอันเดียวกันเพราะอัตราตัวนี้แหละไปเข้าร่างทบนั้นเป็นอย่างนั้นทบนี้เป็นอย่างนี้ นี่ก็เป็นบอกเกิดของนักที่ถือสัตวตวาทีอีกพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งท่านเรียกว่าพวกลาภีคือพวกลาภีพวกนี้น่ะเทียบเคียงเดี๋ยเอาตัวเป็นประมาณว่าปัจจุบันตัวน่ะมีอะไรเป็นของตนในอดีตตัวก็น่าจะมีอย่างนั้นเป็นของตนในอนาคตตัวก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นของตนยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเราเกิดมาเป็นคนก็แสดงว่าชาติตอนเราก็คงต้องเป็นคนมาก่อนและแสดงว่าในอนาคตปีชาติหน้าเราก็ต้องเป็นคนอีกต่อไป ปัจจุบันเราเกิดเป็นหมา่อสแสดงว่าชาติตอนเราคงเป็นหมามาแล้วและในอนาคตข้างหน้าเราก็คงเป็นหมาต่อไปอาการการคิดขาดคเนเช่นนี้เรียกว่าพวกราภีคือพวกที่อิกขาดคเนเอาสิ่งที่ตัวได้ตัวมีอยู่ในปัจจุบันไปอย่างอดีตอย่างอนาคตนี่เป็นตักพวกลอยิกหรือพวกตักกะประเภทที่สามประเภทที่สี่คือพวกสุทธตักกิกะวาทีคือพวกที่ใช้ความตรึกตรองล้วน ให้หลักเหตุผลผ ล, ล้วนๆพวกนี้แหละเป็นผู้ที่เราจะพูดถึงคือพวกรลอยิกแท้ๆพวกนี้ไม่ได้ใช่ความตามบรรลุได้ย้อนหลังไปอดีตพวกนี้ไม่ได้ใช้ตามบรรลุชาติไดมีอำนาจฌานสมาบัติพวกนี้ไม่ได้ใช้ลักษณะที่ตัวได้มีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องวัดอดีตอย่างอนาคตแต่ถ้าว่าพวกนี้เป็นพวกที่ใช้หลักเหตุผลแท้ล้วนๆมาจับ แล้วเขอธิบายเป็นคุ้งเป็นแคลวออกมาว่าเนี่ยาสําสหรับไปเยียงว่ายตายเกิดดืนอลงมั่นคงบึกจะเสาอะไรเนีย่ยพวกนี้ใช้ความตรึกตรองหรือใช้หลักเหตุผล อ, อาศัยความตรึกความตรองวุน่วนว น, วนจึงเรียกว่าสุทธปักิกาพวกสุทธตักิการวมสิริรวมแล้วสี่พวกเดียกันในสี่พวกนี้ในข้าพุทธการมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น พะพุทธองค์จึงได้ตรัสห้ามมาไว้ในกาลามาสูตรว่ามาตะ ก, กะเหตุท่านอย่าได้ใช้ความฝุก ต, ตามอาการนะคือว่าพูดง่ายๆว่าอย่าได้ใช้หลักลอจิกในการที่จะวิเคราะห์ความจริงเช่นหนึ่งพระนิทานเป็นต้นจ ะ, จ, ะจะใช้หลักลอจิกมามาวัดไม่ได้นะมาในยเหตุอย่าได้คาดคะเนตามอาการนะมาตะ ก, กะเหตุก็ดีมาในยเหตุก็ดีทั้งสองอันนี้ อาเป็นเรื่องของลอหยิกด้วยล้วนอีกอันหนึ่งก็คือมาอาการะปริวิตรเกนะนี่ไม่ให้ตึกรองท่องเที่ยวด้วยอาการตึกรองตามอาการทั้งสามอันนี้เป็นไวโพธแก่กันมาตะเกเหตุตุ๊หนึ่งมาในยะเหตุตุ๊หนึ่งมาอาการะปริวิตรเกนะหนึ่งทั้งสามอันนี้เป็นอันว่าพระศาสดาไม่ทรงปฏิเสธวิชาลอหยิกในกาลมาสูตรแล้วคือว่าห้ามไม่ให้ใช้หลักลอหยิก ในการที่จะวิเคราะห์ความจริงเช่นเรื่องพระนิพพานหรเรื่องอริยสัจทำไมพระพุทธองค์จึงได้ห้ามแม้ใช้วิชาลอ o ิ i แต่ภายหลังพุทธภาสาโลกยิ่งได้มีวิชาลอ o ิ i เข้ามาใช้กันเกินกราดมากในข้อนี้เราก็ต้องวิเคราะห์พุทธประสงค์เดิมสะก่อดคือว่าลักษณะของพุทธศาสนานี้เป็นลักษณะต้องการทางภ า, าษาปราชาัชญาปัจจุบนันเขาเรียกว่า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 หรือว่าเรื่องอยากจะได้มรรคผล้มีพานเราจะมาตั้งความหวังอย่างลอยลยว่าอยากจะได้มีิทานชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม่ได้หรือแม้แต่จะอาศัยการศึกษาเทียบเทียงแล้วก็จะพาเราให้เข้าถึงมีทานก็ไม่ได้แต่ต้องเรื่องปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลักการศึกษาในพุทธศาสนาท่านจึงวางรากฐานออกเป็นสามชัน้นคือปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสน า, าและกตปฏิเวทศาสนา ตริยัติี่ศาสนาก็คือว่าการเรียนรู้ตามหลักพิเศีปฏิบัติติศาสนาก็คือว่าการทำตามหลักพิเศีนั้นแล้วกินได้ปฏิเวทศาสนาคือได้ผลอันเกิดจากความรู้และการปฏิบัติเพราะเหตุ น, นั้นเมื่อมีผู้ตั้งปัญหาถามพระศาสดาว่าในหมู่เทวดาและมนุษย์นั้นผู้ใดเป็นผู้กระเสอที่สุดขอให้พระองค์ชี้ขาดลงมาทีเดียวว่าใครเป็นผู้ที่ประเสริอที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์พระพุทธเจ้า ก็ตรัสต่อไปว่าวิชาจารณะตัมปัน โ, โนโซเสโคเดวามาเนเซผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้และปฏิบัติตามความรู้ได้คือถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้นั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐในหมูม่เทวดาและมนุษย์ไม่ได้ทรงผูกขาดความประเสริฐไปอยู่ที่เทวดาหรือทรงผูกขาดความประเสริฐไปอยู่ที่มนุษย์เทวดาใบก็ตามมนุษย์ใบก็ตามถ้ารู้และปฏิบัติไม่ได้ผู้นั้นไม่ใช่ผู้ประเสริฐ แต่ถ้าผู้ใดรู้แล้วทำตามที่จนรู้ได้ผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ถลายอันนี้ลักษณะการตัดสินคุณสมบัติของบุคคลในพุทธศาสนาจิ้งแตกต่างกับศาสนาอืน่นศาสนาอืน่นมีการตัดสินคุณสับัติบุคคลอยู่ที่ชาติที่กำเนิดยกตัวอย่างเช่นพระเจ้า พระเจ้ากําเนิดทุกท่านเป็นพระเจ้าลุมานเดืกําเนิดเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดที่จะประเสริฐกว่าพระองค์นี่เป็นตันตัดสินโดยถือชาติที่กําเนิดเป็นใหญ่แม้พระเจ้าจะประกอบด้วยโลกเกิดหนูฉิวว่าบรรดาไี่ไฟไหม้โูกบรรดาในโนูหาล่างโลกบรรดาในเกิดน้าท่วมโลกคณตายเป็นเป็นหมื่เป็นแสนเป็นล่างรวมทั้งตปิระชานที่ไม่รู้ ต้อง้ปลามุดเอวยุ่งเอวไส่เดือนตีก้งเอวคอยเป็นผ้าเป็นผนุมจมหายสูบตายไปด้วยนับในทรวนตัวตเป็นกุดกูกี่เดียวย่างนี้ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจเ้าก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพระเจ้านั่นแหละพระสูตรที่สุดคนอื่นแม้จ ะ, ะปฏิบัติตัวดีอย่างไรไม่โกรธอย่างพระเจ้าโกรธไม่ลุกอย่างพระเจ้าลุกไม่หลงอย่างพระเจ้าหลงคนนั้นก็ไม่ประเสรสู่พระเจ้าไม่ได้อันนี้แปลว่าปศาสนานั้น ศักดิ์คุณในสมบัติของบุคคลด้วยชาติกําเนิดเป็นใหญ่ไม่ได้ตัด ส, สินศรีเด็กตามประพฤติหรือคุณในสมบัติทางใจเป็นใหญ่แต่ในทางาพุทธศาสนาไม่ได้ถือชาติกําเนิดเป็นใหญ่ไม่ไดไม่ได้ถือวิชาความรู้คุณวุธที่เป็นใหญ่แต่ถือว่าตัวที่เราได้ประพฤติดไายตามที่ตัวรู้นี่แหละเป็นใหญ่สําคัญที่สุดวิญญาณุทิศก็ดีคุณอาวุ ธ, ธิก็ดีชาติวุธที่ก็ดีธธดทั้งสามนั้น สู้ความรู้ อ, อันถึงพร้อมด้วยความประพฤติไม่ได้ผู้ที่รู้พร้อมทั้งความประพฤติจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นหลักการอันนี้อุดมมคติในพุทธศาสนาจึงชี้ตรงไปที่ในหลักของปฏิบัติเหตุ น, นั้นเมือ่อท่านจะพียามคําว่าศาสนาว่าศาสนานัแปลว่าอะไรในคำว่าศาสนาแปลว่าอะไรน่ะพวกตะลันตกมักจะตั้งข้อหาว่าพุทธศาสนาไม่เป็นศาสนาโดยเอาคําว่าลีเลี่ยมาวิเคราะห์ ว่าพุทธศาสนาไม่เช리บียันเมื่อไม่ไมช리บียันแล้วพุทธศาสนาจึงไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นเพียงฟิโลโซฟีคือเป็นเพียงปรชัชยาคำกล่าวหาเช่นนี้ก็หมุนกับคนที่ตั้ ง, ต, ง, ต, งตั้งตั้งตจขึ้นมาว่าคนที่กินขนมปังเท่านั้นจึงเป็นคนถ้าคนใดไม่กินขนมปังเป็นอาหารคนนั้นไม่ใช่คน ท่านผู้ฟังลองนึกดูสิว่าถ้าใครมาตั้งปัญหาเช่นนี้ท่านจะยอมรับไหมว่าการตั้งประเด็นโจทย์อย่างนี้เนี่ยเป็นการตั้งเข้าข้างตัวข้างๆคุกหรือว่าตั้งตามเหตุผลเพราะว่าคนจะเป็นคนหรือไม่ใช่คนไม่ใช่อยู่ที่ปัญหาว่ากินข้าวเจ้าเป็นอาหารหรือกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหรือกินขนมปังเป็นอาหารก็มีได้มันแล้วแต่ชาติภูมิความเคยชินสิ่งแวดแล้อม ฉันใดพวกที่กล่าวว่าพุทธศาสนาเป็นเพียงปรชัชญาไม่ใช่ศาสนาก็มี อ, อุปมาชันนั้นคือเหมือนกับคนที่ตั้งโจทึกขึ้นบอกว่าคนที่กินขนมปังคนนั้นถึงจะเป็นคนถ้าใครไม่กินขนมปังคนนั้นไม่ใช่คนแบบนี้เลยครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นการตั้งโจทึอย่างอุยิศธรรมถ้าโดยเนื้อหาแล้วอะไรเป็นเครื่องกาหนดคาว่าลีเลยะคาว่วาลีเลยนนั้น เป็นภาษาญูท่านกำหนดว่าลิลิเยนโดยคุณ ล, ลักษณะหมายถึงความสูกพันกับสิ่งลึกลับความที่จะต้องเชื่ออย่างโปรงใจเต็มร้อยเปอนในสิ่งลึกลับซึ่งเป็นผู้สร้างสารรค์โลกถ้าจะวิเคราะห์ลิลิเยนตามในยะชนีคุปตาสนะก็ไม่ใช่ลิลิเยนแต่อีกวิเคราะหหนึ่งท่าตั้งว่าลิลิเยนนั้นจะต้องประกอบ ด, ด้วย คุณสมบัติบางต่อไปนี้คือหนึ่งมีอค์บาสบาผู้บังสองมีคำสั่งและคำสอนคำสั่งให้ทาคำสอนให้ปฏิบัติสา ม, มีคณะบุคคลเป็นผู้ทำรงรักษาสถาบันของคำสั่งและคำสอนนั้นให้สื่อทอดอย่างดีมาได้ประกอบด้วยระบบขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีที่สื่อทอดกันมา คถ้ามีคุณสมบัติสถาบันใดมีคุณสมบัติสาประการสถาบันอันนั้นก็เป็นลิเลีถ้าจะถึงตามวิเคราะห์ในหลังพุทธศาสนาจะเป็นิเลีนนร้ยเปอร์เซเพราะเรามีองค์พุทธศาสนาคือพระพุทธองค์เรามีวินัยอันเป็นคําสั่งมีธรรมะอันเป็นคําสอนรวมกันหมดว่าเป็นธรรมวินยัยเป็นตัวสัตวต์ทุศาส์เรามีคณะนักบวชคือประกอบด้วยภิกษุพุทธบริษัท และอุบาสกอุบาสิกาที่ถือวัฒนธรรมขนบธรรเนียมประเพณีอันหนึง่งในศ า, าสนาสื่อทอดกันมาเป็นประยะทางสองพันกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นโดยในัยนี้ศาสนาพุทธก็เป็นลิเบเียนร้อยเเ็นเพราะฉะนั้นเราต้องโยนมันหาถามผู้ที่ตั้งข้อกล่าวหาว่าจะเอาพุทธศาสนาในแง่ใดถ้าจะว่าพุทธศาสนาในแง่จะต้องผูกพันศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ลิเบเรียน แต่ะว่าพุทธศาสนาในข้อที่ว่าจะต้องประกอบไปองศาสดาประกอบไปคําสั่งคําสอนประกอบไปคณะนักบวชสถาบันผู้ถือปฏิบัติตามอย่างนี้พุทธศาสนาเป็นลเีเลียนร้อยเสร็จฉะนั้นผมจึงอยากจะพูดว่าพุทธศาสนานั้นเป็นทั้งลีเลียและไม่ใช่ลีเลียนแล้วแต่ว่าเราจะพูดอย่งใดมี่ประการหนึ่ง อ, อีประการหนึ่ง ในข้อที่ขเขากล่าวหาว่าศาสนาพุทธเป็นเพียงพิโรซฟีก็ไม่เป็นความจริงเพราะว่าได้กาวมาแล้วศาสนาพุทธมีลักษณะเป็นปฏิฐานานิยมเรื่องพิโรซีนั้นเป็นเรื่องล่หยุนักปรัชญาเมธีส่วนใหญ่ก็เคยพวกที่ใช้สุขภิกขะความปรุษความลุคคาคเนแล้วก็สร้างระบบปรัชญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นนักปรัชญาเมธีจึงไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักตรรุษ ท่านต้องฉีกความหมายว่านักปรชัชญาเมตีกับนักปัจจุรุน่ะแตกต่างกันมากนักปรชัชญาเมตีคือผู้ที่ใช้หลักของหลอจิกสาหรับรูปคำความจริงโดยที่ตัวเองไม่ต้องเข้าถึงความจริงนั้นใช้การขาดคะเนความจริงเอาโดยหลักของเหตุผลที่ตัวสร้างขึ้นสร้างทฤษฎีขึ้นมาส่วนนักปัจจุรุนั้นหมายถึงผู้ที่เข้าถึงความจริงด้วยกายวาจาใจของท่านเองโดยแท้เพราะฉะนั้น โดยในยะนี้าศาสนาพุทธไม่ใช่ตีรอสตีพ่อาศาสนาพุทธเป็นศัพธรรมไม่ใช่เกิดจากการคาดคะเนของพระพิฆเนศพระพิฆเจ้าต้องใช้เวลาอุษาหาวิเรียภาพในการค้นคว้าสัพธรรมอันนี้เป็นเวลาถึงแสนอสศงไขมหากัรไม่ใช่เป็นเวลาไม่ใช่ได้ดูอย่างลอยลไม่ใช่ได้ดูอย่างไม่มีเหตุผลแต่ต้องลงทุนลงรองค้นคว้าเป็นจำนวนตั้งแสนอสศุงไขมหากรแล้วก็เอาระยะตวลั้นที่สุดก็หกปีทส่สวงหาวิโลกธรรม กระทั่งในกรปัสรูและการปัสรูนั้นเราสังเกตได้จากในอริยสัจที่ท่านแยกติดในอริยสัจออกเป็นสามคือว่าเป็นงสติญาสติญาณกัตตาญาณท่า น, านาใช้คำว่าญาณ น, นะไม่ใช้คําว่า้าตุเเนความตักระไม่ทักใช้คำว่าญาณญาณนัศนะและท่าย้ําไปคําหนึ่งว่ า, ายถาภูตญาณนัศนะหมายถึงความรู้แจ้งเห็นจริงตามที่เป็นจริง ยะถ า, าผู้ตากย่ลงไปเลยผู้ตะกคือความจริงยะถาคือความเป็นเช่นนั้นตามธรมธรมชาติญาณทัศนะคือความเห็นแจน้งเห็นแจ้งตามธรรมชาติตามที่เป็นจริงของมันเน่อย่างนี้ด้วยกวยะถาผูาา้แต่ญาณทัศนะในอริยสัจท่านเจ็ดจัดเป็นญาณทัศนะส า, ามสามรอบสัจญานรู้ว่าเป็นทุกข์รู้ว่านี่เป็นเหตุของทุกข์รู้ว่านี่คือความดับทุกข์นี่ว่ารู้ว่านี่เป็น วิธีปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์ความรู้แจ้งอย่างนี้เป็นปัจจัยยานยาที่รู้แจ้งตามเป็นจรนิงปัจจายรู้ว่าทุกข์นั้นควรที่จะกําหนดรู้นะเหตุของทุกข์นั้นควรจะละไปควรจะละแล้วก็ความดับทุกข์นั้นควรทำให้แจ้งส่วนวิธีปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์นั้นควรอบรมให้เกิดนี้นี่เป็นปัจจานส่วนปัจจัยนั้นหมายถึงกิดที่ท่านได้ทําแล้วคือทุกข์ท่านก็นได้กำหนดรู้แล้ว กมุทยคือเหตุของทุกก็ได้ละแล้วนี้โลกเป็นการดับทุกข์ท่านก็ได้ทําให้แจ้งแล้วมักมีองค์แอันเป็นวิธีไปสู่การดับทุกข์ท่านก็เดินครบถ้ว น, น, นแล้วอันนี้เป็นกระกระยานยานสามยานสามที่เป็นไปในอริยสัจอันนี้พระองค์เป็นปฏิยานว่าพระองค์น่ะมีธรรมจันทร์จบแล้วถ้าติไปสิ้นแล้วภพใหม่จากภพนี้ไม่มีปฏิยานพระองค์เป็นสัมมาสัมพุโทโธ เพราะฉะนั้นห ล, ลักวารจริงพุทธศาสนาไม่ใช่ทิ่รโอซอฟิแต่ว่าพุทธศาสนาก็มีืนพออิโรโซฟีทำไมถึงถูกกำโตงอย่างนั้นคือว่าพุทธศาสนามีคนเยอะกว่าถ้าจะบูกแล้วก็เหมือนลูกแกว้วสอยดูเหลี่ยมไหยน์มนใจก็เห็นวิ้งไฟแตดไม่เหมือนกันแล้วแต่เราจะไปส่องดูในมุมอะไรลูกแก้ววิเศษลูกเมไปส่อง ก, แก็แสอาทิตย์ เกิดแสงจต่างสีคลางคลายไปส่งกระแสจันทร์ติดแสงนวนผ่องเย็นใจเย็นายนี่แล้วแต่นี่ศาสน า, าพุทธก็เหมือนกันถ้าไม่พิม์กว่าศาสนาพุทธไม่ใช่สิโลสตีแล้วก็เป็นสิโลสตีถ้าไม่พี่งป็นทพี่ไม่ใช่สิโลสตีคือไม่ใช่เป็นปรชนะัชญาหะถ้ราะศาสนาพุทธเป็นผลของโพธิปัตสุรูนะที่เป็นสิโลสตีน่ะก็เพ้าว่าศาสนาพุทธนั้นอาจารย์รุ่นหลัง แต่งขยายความออกมาเช่นรุ่นอัจกถายะรุ่นรุ่นดีกามติของอัจฉริยะจาย์มติท่านดีกาจาย์มติท่านทรนทรุจนาจาย์มติเหล่านี้เป็นการแต่งข้อความขยายพุทธมติข้อความขยายพุทธมตินี้เป็นสิโลสไลส์ให้ใจนะครับข้อความที่พระอาจารย์รุ่นหลังแต่งขยายความนี่แหละเป็นสิโลสไลส์เป็นปรชัชญาร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกว่าพุทธปรัชญา ส่วนหลักในพระไตรปิฎกแท้ไม่ใช่พิรลสอพี่เป็นเรื่องสัจธรรมพุทธวจนะเป็นสัจธรรมคําอธิบายพุทธวจนะของบุคคลเป็นพิรลสอพีกันได้ง่ายอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่ า, าศาสนาพุทธเป็นทั้งลีเลียนและไม่ใช่ลีเลียนาศาสนาพุทธเป็นทั้งพิรลสอพี่และไม่ใช่พิรลสอพี่แล้วแต่เราจะพูดในประเด็นไหนเพราะฉะนั้นต้องระวังในการที่จะชี้แจงข้อข้องใจให้กับ คุยในเมื่อเขาตั้งปัญหาถามมาศาสนาพุทธเป็นมิดรเยี่ยนไหมศาสนาพุทธเป็นปีราตอพี่ไหมเราต้องฉีกสภาวะให้เขาเห็นว่าจุดใจเป็นจุดใจไม่เป็นอย่าไปพูดวุ่นวุนกันหมดถ้าพูดวุ่นวุนกันหมดแล้วไม่ถูกไม่ถูกก็สภาวะในพุทธศาสนาโยแทาย่อมนี้นี่มันลอยหยุดได้กลาวมาแล้วว่าพระพุทธองค์ได้ทรงปฏิเสธในกาลามาสูตรโดยคําว่ามาตักะเหตุมาในเหตุ มาอาการะปริวิตรเกณฑ์มาปฏิเสธอย่างนี้เพราะได้กามาแล้วว่าเรื่อง逻辑จะเป็นเรื่องที่จะถอยหม้อความที่ใช่หลักเหตุผลเข้าไปจับฆาตคเนย์ไม่ใช่เรื่องของจะทาภูตยานต่างกันมากเรื่องทฤษฎีในการที่จะจับเหตุผลกับเรื่องของจะท้าภูตยานลักษณะต่างกันอุปมาคล้ายกับว่าคนที่ไม่เคยไปอเมริกาแต่ว่าอ่านหนังสือนำเที่ยวอเมริกาหลายเล่ม แล้วก็สามารถเล็โชคมาถึงให้แต่คณะนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวอเมริกาฟังว่าพันธุ์ไปอเมริกาพันธุ้นี้ต้องขึ้นึกเอ็มไพร์สเตย์มิึ State, กเอ็มไพร์สเตย์จะม่อะไรบ้างไหนถูกเป็นผู้มีแคลเป็นลูกถิ่นทองลูกแก้วผูดจ่อทีเดียวแต่ตัวเองเกิดมาไม่เคยไปอเมริกาเลยเพียงแต่ว่าอัานเล่นโน่นั่ ง, ง, ง, งจัดเลนนี่บ้านกลางาแผนที่รูปตั้งรูลูก่ายเขาบ้างแล้วก็ใช้สติปัญญาตัวนะ่ะรูวมเอาแล้วก็อกอกมาหากินได้ แต่ ท, ท่านทำผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอเมริกาใครตายเป็นผู้เชี่ยวชาญอเมริกาไปก็ดูถ้อท่านคิดไปเลยเคยไปอเมริกาเลยตายเป็นผู้เชี่ยวชาญนำเที่ยงอเมริกาไปแล้วจะถามมุมไหนเดี่ยวไหนก็อนตอบได้หมดความรู้ของคนอย่างนี้กับคนที่ได้ไปเห็นอเมริกาด้วยตัวเองเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาด้วยตัวเองความรู้ในครงของคนนี้ใครจะแน่วแน่กว่ากันใครจะถูกต้องกว่ากัน เราก็จะพูดได้ว่าคนที่เคยใช้ใช้ชีวิตมีประสบการณ์ด้วยตัวเองจากอเมริกาคนนั้นถูกต้องกว่าส่วนคนที่ดีแต่อ่านดีแต่จํานั่นคเพียงแต่ผลได้ของตะวันจํากับการอ่านไม่ใช่ประสบการณ์ที่ตัวได้เพราะฉะนั้นลอจิก ห, หรือปัชววิทยาก็เหมือนพูดงี้ไม่ใช่เกิดจากประสบการณ์แต่เกิดจากการคาดคะเนโดยอาศัยรูปคำว่เหตุผล ส่วนพุทธศาสนานั้นคือพวกที่ต้องการให้มีประสบการณ์ในตัวเองให้เห็นชัดในตัวเองต้องการอย่างนี้าศาสนาพุทธจริงไม่ยย่งยกปรัวิทยาว่าเป็นวิชาอันติมาแต่เขาว่าถือไดวออ้ว่าเป็นเครื่องมือถือเพียงต่วเป็นเครื่องมือสำหรับพาเราเข้าไปสู่สัจจ์ได้ห้ามไม่ให้ถือเป็นจุดหมายปลายทางของสัจจ์ แต่ถือเป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปสู่สัจธรรมได้อุปมาคล้ายๆอย่างนี้ว่าเป็นแผนที่สําหรับพาเราไปหาขุมทรัพย์ที่เราต้องการแผนที่ไม่ใช่ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์เป็นเฉพาะแผนที่แต่ว่าไอ้แผนแผนที่นี่แหละมันจะพาเราไปหาขุมทรัพย์ได้บางครั้งแผนที่ก็อาจจะไม่ถูกติดเช่งว่าการการประมาณและจีจูลองจิจอาจจะผิดพลาดไปจากข้อท็จจริงบ้าง เนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังหนึ่งตักกะก็เหมือนกันอศาสนาธรามหลังพิธการเด็มีลขาที่หนึ่งเรียกว่าลัทธิในยายะลัทธิในยายะคําว่าตากวิทยาในอินเดียนั่นแหะเขาใช้คำว่าในยายะศาสน้ากรรมเขาใช้คำว่าในยายะแทนในยายะเป็นปรัชญาสาขานึงในสัพทัศนะของฮินดูครับ คือสภาวิคตนะหรือวิคนนะหกของฮินดูน่ะประกอบด้วยมีมารสาสารขยะโยคะนัายะวัยเสสิกะเวดานตะวกพิธีด้วยกันนยายะเนี่เป็นลัทธิหนึ่งเป็นพวกที่นิยมใช้ปัจจุิทยาในการวิเคราะห์ความจริงล้วนลวนลัทธินยายะข้างพิทธการยังไม่มีมีหลังพุทการลัทธินัยยะนี่แหละได้ตั้ง องของปักกาตะวันออกขคือองปักกาตะวันออกเนี่ยเครื่องมือในการที่จะใช้อธิบายเหตุผลท่านเรียกคําว่าประมาณใช้คําว่าประมาณนะคําว่าประมาณนี่เป็นคำที่สันมากเป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปสู่ข้อความจริงในความหมายขระติณญาณองค์ายายองของประมาณน่ะมีอยู่ห้าองด้วยกันห้าองนั่นก็คือองค์ที่หนึ่งเรียกว่าติญญา ปตญองค์ที่สองเรียกว่าเหตุองค์ที่สามเรียกว่าอุทาหรณ์องค์ที่สี่เรียกว่าอุ ป, ปนยัยองค์ที่ห้าเรียกว่านีคมหองค์เดียกันวันจริงห้าองค์นี้นะพูดวันสองวันก็ไม่จบอธิบายจุดวันก็ไม่จบห้าองค์เนี่ยแต่ก็จังใจต้องเอามาพูดเพาไม่พูดแล้วก็ไม่จะลืมตักกัแล้วต้องมาพูด ก็ทำามู่ามว่็อาจจะงงอะไรก็ไม่รู้ไม้แต่แม้แต่เสียงแต่ละเสียงหมู่ฟังจากปากก็ชักจะงงๆแล้วเป็นภาษาแขกก็งั้นอะไรที่เราปตินญาปติญญานี่น่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการตั้งทฤษฎีขึ้นเพื่อจะวิเคราะห์ความจริงเช่นว่าตรองไฟมีควันปลองไฟปตรองปล่องปลองมีควันปลองมีควันเราตั้งทฤษฎีอันนั้นขึ้นมาปล่องมีควัน ไอ้กลองไฟเราเห็นดหละ ว, ว่าปล่องมีควันอาการที่เราตั้งทฤษฎีอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ความจริงว่าทำไมเราถึงรู้ว่าปลองมันมีควันไอ้ปล่องมีค ว, ควันธรรมทิวหรืหอจะกล่าวว่ากล่องมีไฟเพราะมีควันกล่องมันมีไฟอาการตั้งเราตั้งตั้งตั้ทฤษฎีอันหนึ่งกแบบ กล่องมีไฟว่ า, านี้นะทั้งๆที่เรามองไม่เห็นไฟนี่เราตั้งขึ้นหมอกล่องมีไฟอาการที่เราตั้งขึ้นว่าปล่องมีไฟเนี่ยเป็น ป, ญญปฏิมญาและทิศนัยยะเรียกว่าปฐม ญ, ญาคราวนี้นทำไมาทาปล่องมีไฟล่ะบอกว่าเพราะมีควันเพราะมีควันอาการที่บอกว่าเพราะมีควันนี่แหละ เป็นเหตุเป็นเหตุเหตุโด่<บ>งชัดือจะพิสูจน์ตัวปฏิยาปฏิยาคือตัวตั้งบทตั้งพูดง่ายๆว่าบทตั้งบทตั้งอันหนึ่งที่เราจะมาพิสูจน์กันบทตั้งอันนี้เรายกตัวอย่างว่ากล่องมีไฟกล่องบ้านนี้มีไฟหรือกล่องมีไฟเฉยๆบทตั้งให้เรียกว่ปฏิยาทําไมาที่มีไฟเราก็ตอบบอกว่าเพราะมีควัน อาการที่บอกว่าเพราะมีควันน่เรีกว่าเหตุตุเหตุเหตุเหตุของเหตุของบทตัง้งที่เราเอามาตั้งนี่แหละเพราะเราเห็นควันเราจรึงบอกว่าเพราะมีควันปล่องมีไฟเพราะมีควันปล่องมีไฟเป็นสติญญาเพราะมีควันเป็นเหตุอุทานี่เป็นองค์องค์ทสององค์ที่สามเรียกว่าอุทาหอนผมยกตัวอย่างอุทาหอนนี่คือตัวอย่าง ยกตัวอย่างว่าเช่นเตาไฟในเตาเตาเตาไฟมีเพาะเตามีควันเพราะมีไฟเพราะฉะนั้นไอ้ปล่องมีควันก็ต้องมีไฟอาการที่เรายกเตาไฟเป็นข้อเปรียบเทียบเรียกว่าอุทาหรณ์เป็นอ O ที่สามยกอุทาหรณ์ขึ้นมาก็เตาไฟนี่แหละมันมีควันมีเป็นอุทาหรณ์นะ องค์ที่สามเนี่ยอุทาหรป์ติ่ญยาเหตุปุอ่อทาหรองค์ที่สี่เรียกว่าอุ ป, ปนยัยอุ ป, ปนัยคือการยืนยันลงไปอทีหนึ่งเพราะฉะนั้นกองไฟนั้นจึงมีไฟนี่เรียกอุ ป, ปนยัยยืนยันไปอีกทียืนยันตัวเหตุซึ่งมีความสัมพันธ์กับบท ต, ตั้งลงไปอีกทีหนึ่งบอกว่าเพราะฉะนั้นกองไฟนั้นนะ่ะจึงต้องมีไฟนี่เป็นองค์ที่สี่ องที่ห้าเรียกว่านีคมมี ค, ม, ม, คมนั่นก็คือบทสรุปให้เข้าบทสรุปในวิชาเรขาคณิตบทสรุปสรุปบอกว่ า, วาเป็นอันได้ความจริงว่าหลองไฟนั้นมีไฟแน่นอนแล้วจะไฟแน่ไม่ต้องสงสัยต่อไปแล้วอาการอย่างนี้เรียกว่ามีคมอันเป็นอง์ที่ห้าลัทธิรายะหรือประกั่งพยาในทางตะวันออกใช่หลักประมาณด้วย องห้าประการองห้าประการนี้เป็นหลักสาหรับอนุมานความจริงคือวนะ่าความจริงในโลกนี้นะบางอย่างเป็นประจักษ์เรียกว่าประจักษ์ประมาณบางอย่างเป็นอนุมานบางอย่างเป็นอุปตระมาณอนุมานนะ่ะเป็นการที่จะยังเหตุผลในสิ่งที่เรายังไม่ประจักษ์นะส่วนประจักษ์น่ะจะต้องประจักษ์ทางอายุรนะสัมผัส ยังไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องกีดขวางหรือมาหุ้มมาบางังมาปิดอีกต่อไปนี่ยิ่งเป็นกระจั์ประมาณเช่นว่าตาเห็นคนหรือตากําลังดูไฟลุกคุกๆุก ค, กคกุอยู่เนี่ยควันก็ขึ้นมาตามปเปลวไฟอาการที่เราเห็นอย่างแจ่มชัดเนี่ยเป็นกระจั์ประมาณแต่ในกอนที่เราเห็นตรงว่ามีควันออกมาแม้เราจะไม่เห็นปเปลวไฟ เราก็พอจะอยังได้ว่าในกล่องนั้นต้องเกิดเมฆควนันเกิดจากกล่องน่ะจะต้องมีไฟเพราะนั้นที่ใดมีควันที่นั้นต้องมีไฟอาการที่ละอนุมานโดยที่ไม่เห็นกระจกนี่แหละท่านเรียก ว, ว่าอนุมานเป็นหลักอนุมานอนุมานนั้นจะต้องเป็นสิ่งซึ่งจากสิ่งที่เห็นไปสู่สิ่งที่ไม่เห็นนี่เป็นหลัก อ, อนุมานอนุมานจากสิ่งที่เห็น เพื่อไปให้เดชผลในสิ่งที่เราไม่เห็นอาการอย่างนี้เรียกว่าอนุมานต่างกับประจักษ์ประมาณประจักษ์ประมาณน่ะเห็นรูกจากสิ่งที่เห็นผลจากความรู้จะต้องได้จากสิ่งที่เห็นแต่เรื่องของอนุมานน่ะผลจากความรู้เกิดจากสิ่งที่เห็นเพื่ออย่างไปสู่สิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่เห็นหยู่ก็คือควันแต่ไฟเรามองมาเห็นแต่นี้กรณั้นเราตัรู้ได้ว่ามีไฟ เพราะเหตุว่ามีควันปราตรุอันนี้นท่านจึงต้องใช้หลักของหลักอนุมานอันตราอันประกอบไปองค์5คือมีปติ ญ, ญาคืบอบกตั้งเหตุแล้วก็อุทาหรณ์อุ ป, ปนยัยมีคมเป็นห้าองค์ด้วยกันสำหรับไปสู่ความจริงที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นว่าคนทุกคนต้องตาย คนทุกคนต้องตายความจริงเราไม่เห็นคนทุกคนตายคาตาเราทุกคนหรอกแต่ทําไมเราลู่เาเชื่อเราตัวตนวะาทุกคนทุกคนต้องตายล่ะต่อประว่าเราเห็นนายกอตายในายกรก็เป็นคนเพราะนั้นเมื่อนายกอเป็นคนนายขอก็เป็นคนเหมือนกันมีอาการทุกอย่างเหมือนนายกอคือรู้จักกินรู้จักเที่ยวรู้จักเสือรู้จักรักเสือรักงามรู้จักเที่ยรู้จักขี้ทุกอย่างเหมือนคนทุกอย่างเพราะนั้นเมื่อนายกอเป็นอย่างนี้ได้นายขอก็เป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันที่อนุมานได้ว่าในายขอก็ต้องตายเหมือนนายกออย่างนี้เป็นต้น อาการที่เราใช้คาดคณีเอาอย่างนี้แหละเรียกว่าเรื่องของิ辑เรื่องตรรกะเรื่องอนุมานนี่เป็นอย่างนี้และที่นายะนายายะได้ตั้งหลักการวิเคราะห์เหตุผลห้าองค์การอันรรประกอบเบ็ดปติญญาเหตุอุทาหอนอุกตนัยและวรมณคมห้าองค์การด้วยกันอาตอมาเมื่อพุทธศาสนา ศักกวิทยาในพุทธาศาสนาเป็นเรื่องของทางมหายานเป็นส่วนมากคือว่าทางมหายาน่ะเมื่อพุทธาศาสนาทางมหายานได้อุบัติขึ้นจะต้องแข่งขันต่อสู้กับปรัชญาของพวกพราหมณ์เมืม่อพวกพราหมณ์ได้สร้างหลักมนายายาขึ้นมาพุทธาศาสนาทางมหายานก็จําเป็นต้องเอาหลักตร ก, กะมาต่อสู้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น แตกวิทยาในพุทธศาสนาจึงเริ่มมีเป็นตัวเป็นรูปเป็นลักขึ้นในฝ่ายมหายานโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในศตรวรติที่เจท่านมาคราชุนมหาเถระฝ่ายมหายานได้เขียนคำภีมาติยามกะวรติซึ่งเป็นคำทีรมีชื่อเสียงเป็นเหตุให้ท่านได้รับยกย่องว่าเป็นพุทธะองค์ที่สองคำทีมาติยามกะวรตินี้เป็นไปได้หรือลอย สําหรับวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นการต่อสู้กับภัยระลัตทิการต่อสู้กับภัยระลัตทีนี่นะความจริงได้มีมาตั้งแต่ก่อนพิจารนานแล้วใครจะตั้งลัตที่ปรัชญาความเห็นศาสนาใหม่ก็ต้องมีเครื่องมือคือจะต้องเป็นผู้มีความรู้ปฏิพานรอบตัวในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือสามารถที่จะหักล้างวาทะ ของบรรดาเจ้าหมู่คณะต่างๆที่เขามาท้าโต ว, วาทีหลักการโต้ ว, วาทีในอินเดียท่านจึงแบ่งออกเป็นสามพวกพวกที่หนึ่งเรียกว่าวาทะได้แก่การโต้ ว, วาทีช่วที่จะต้องการรู้ความจริงเช่นสิทธิ์โตก็ครูครูแย่ก็สิทธิ์ทั้งสิทธิ์ทั้งครูโต ก, กันก็พูดต้องการให้ความรู้ของสิทธิ์มันคงขึ้นมีการอธิปรายซักบอกต่างๆในความรู้อันนั้นอย่างนี้เรียกว่าวาทะ พวกหนึ่งพวกหนึ่เรียกว่าชะละปะพวกชะละปะเนี่ยหมายถึงการโต้วาทีชนิคีว่าเอาแพ้เอาชนะชนิคีว่ต้องการแกอยู่ฉันไปแกไปฉันอยู่ต้องการเอาแพ้เอาเอาชนะหักล้ามหักโคตเป็นการหักล้างวาทะด้ววาทะเป็นการที่เราต้องการตั้งทฤษฎีอันใหม่ตั้งหลักปราชญาอันใหม่ตั้งหลักการศาสนาใหม่แล้วก็ต้องหักลา้างความเชื่อเดิม หรือความเชื่อผิดๆให้หมดไปที่เป็นฝ่ายตรเงินค่าของเราอาการตูตวาทีอย่างนี้ท่านเรียกว่าชัละปะักนี่เป็นพวกที่สองพวกที่สามที่ว่าวิตันทาวาทีวิตันทาวาทีพวกวิวตันทาวาทีนี่ได้แก่พวกที่ไม่ต้องการจะตัวเองไม่ต้องการจะตั้งหลักการไม่ต้องการตั้งหลักที่อะไรขึ้นมารอกแต่ เป็นฝ่ายที่อยากจะขัดคอ เ, าเ้าโร่ไปไม่ว่าใครเขจะตั้งอะไรเป็นมากูจะขอเป็นนักขัดมาเรื่อยไปแหละเป็นนักขัดตำนามอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาที่ไหนก็มีการอภิปรายธรรมะ ก, กันอภิปรายปัญหากันมีกา ร, รแสดงลัทธิความคิดความเห็นกันกูจะต้องไปเป็นยาดำคอยขัดคอยแทกคอยหักล้างมาเรื่อยไปแล้วคันเขาถามหมอแล้วตัวแกล่ะมีความเห็นอะไรบ้างไม่มีฉันมีความเห็นอย่างเดียวความเห็นแกไม่ใช้ไม่ได้ฉันขอขัดแกต่พื้นแตผือ พวกนี้เรีว่าข้ามตะบันมีหน้าที่ข้ามตะบันนี่ดูที่ตัวก็ไม่อยากจะตั้งความเห็นอะไรขึ้นมาเลยไม่มีความเห็อะไรทั้งสิ้นแต่ขอทําหน้าที่เป็นฝ่ายข้านประพฤติื้นไปพวกนี้เรียวกว่ามิตันทาวาชีสามพวกเดียกันนะคือพวกวาทะพวกหนึ่งพวกนี้ตัวแย่งพเพื่อต้องการจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างจริงๆไม่มีเจตนาอื่นเลยอีกพวกหนี้พวกชะลามาหากล้างวาทะด้วยวาทะ ตัวตั้งรับที่ใหม่ขึ้นมาหักล้างพวกเก่ามีพวกชลปะแล้วก็พวกวิจันทาพวกข้านตะบันสามพวกดปวยกันมีอยู่สามพว ก, ก, พวกทั้งสามพวกนี้คั้งขุสการมีเยอะแย ะ, พ, ะพุธ เ, นะเจ้าของเราเราเจญมานักต่อนักแล้วเราต้อทรงเอาชนะพวกนี้มาทุกข้างไปเลยพระองค์จึงถูกยกย่องขึ้นว่าเป็นยอดแห่งวาทะบรรดาในหมูบ่บรรดาเจ้าวาทะแล้วพระองค์จึงเยี่ยมยอด ไมีผู้ใดสู้ได้มีมีคนคนหนึ่งอ่าพระเจ้านีคนเนี่ยคุยโม่อ้อวดคุยโม้ในเมืองเวสาลีตอนนี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าคุยโม่มันจะบวันเจ็คืนบอกว่าวันไหนเราก็พบพระพุทธเจ้าคราแล้วก็ขันจะเอาวาทะล่างโดยวาทะคือใช้วิธีที่สองคือเรืลปะแล้วก็จะทําให้ทําพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนหนึ่งดุนุ่งที่ถูกเด็ก ต่อยขาหักต่อยก้ามหักแล้วเอาเชือกเอาเชือกผูกล่าเล่นตามผมทางคุยโมโอ้อย่างนี้นะพวกเจ่าลัิชีวีในมึงเวตาลีมันใสเต็นทนแล้วไอ้หมอนี่มันคุยโมดีแต่โมคุยขืงไงว้แค่แหละคุยโม้จนกระทั่งว่าความรู้ทั้ตัวน่ะมีมากกระทั่งจะพุมจะแตกอยู่แล้วต้องเอาแผ่นทองแดงมาฆ่าพุมตัวพุมจะแตกเพราะความรู้มันทุกกว่าเนื้อพุมยเยอะแยะตกองเนด้วยความว่า เรืีคนเขาไม่คิดว่าความรู้อยู่ที่มันสมองไม่อยู่ที่จิตใจหรอกเขาบอกบางจุกอยู่ที่กระเพาะถ้าจะกินเก่งมั้งเพราะนั้นความรู้เขาน่ะมันกิ่นได้บางจุกมันกรทั่งท้องโตท้องต่อมเออท้องโตท้องมันจะร้าวมันจะพังออกมาเอาแผ่นทองแดงค่าคื้นมาไล่ตัวพงจะแตกความรู้มันจะไหลมาทางพืนแล้วก็เที่ยคุยโม่ในเมือเวสาลีพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาทึง ป, ป่ามหาวัน พวกเจ้าลิชวีก็รีบวิ่งไปบอกามาแล้วคนที่ตัวท่านปรารถนาจะไปหักล้างวาทะในวาทะบอกว่าจะทําเหมือนอย่างเด็กต่อยก้ามตูหักจกับตู ต, ตผูผูกกระเชือกก็ผูกลากตามถนนแบบนี้มาแล้วประทับอยู่ที่ป่ามหาวันโน้นไงเชิญไปสิคราวนี้แหละสัจกะนิคนก็ต้องตกกระไลถอยโจรเพราะตัวคุยมานักแล้วพอไปถึงพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ทรงปราบทิฏฐิมานะของนีคนคนนี้ได้หมดหนีคนคนนี้เหลือแตกซิกทีเดียวก่อนหน้านี้คุยบอกว่าอย่าว่าแต่คนยังมาตัวาจีกับข้าเลยแม้แต่เสาไม่มีวิญญาณถับประจนหน้าข่าแล้วเราก็โอ้ยสาวก็ ส, สั่นสะเทือนไม่หมดบัดนี้สัจกะนีคนนั่งเอาผ้าคาดหัวตับเหวือตับแล้วตับเหล่าไม่หยุดไม่ ย, นยอนพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสัจกะ ท่านได้คุยเคืองในมนเวีสาหรีไม่ถือว่าแม่โปกระเต๋อที่ใน ว, วิญญาณอ่ะสาวก็ยังต้องสั่นสะเทือนหวั่นไหวบัตรนี้ในตัวท่านกําลังสั่นสะเทือนอยู่เรือแตกจากหน้าผากตกมาที่ปากจากปากไหลามาที่พื้นท่านพิจารณาดูสิว่าเรือส ถ, า, ถาคตมีหรือไม่แม้แต่เม็ดเดียวถามสจกะนิคออย่างนั้นสัจกะนิคอนก็อายนะแต่ธรรมดานักปราในอินเดียครั้นั้นไี่เหมือนนักปราปัจจุบัน นักปราชญ์ในครั้งนั้นน่ะถ้าแพ้ก็รับประตูแพ้ไม่มีแบบที่ดีกว่ามวยล้มคนไม่ล้มอย่างปัจจุบันเพราะนั้นสักกาก็ยอมรับด้วยหน้าชื่นตาบานบอกพระเจ้าข่าเพราะข่าพระองค์เลวทรามความเลวทรามข้าพระองค์นี่เองสำคัญพระผู้มีพระภากว่าเหมือนคนที่ควรจะขับเที่ยวเสมอกันได้นะธรรมดาคนที่จะเที่ยวในป่าไปประสบ ทางสามตัดมันก็ดีหรือภ พ, พยาสิงหราก็ดียังมีหวังจะเอาชีวิตรอดได้บ้างแต่ใครก็ตามที่มาปะทะกับพระธรมนะโคดมแล้วไม่มีทางรอดเลยแม้แต่คนเดียวพระเจ้าค่ะข้าพระองค์อดีหมัหมดแล้วอยู่มาข้าพระองค์หมดแล้วไม่มีทางเลยเหมือนประทะกับกองไฟใหญ่เพราะฉะนั้นพอกวนันต้องคันถึกของข้าพระองค์เองที่เลวทามต่าําช้ามาตีเสมอพระผู้มีพระภาค ขอพระองค์จงให้อภัยต่อข้าพระองค์ได้เถอะในความรู้เท่าไม่ถึงตานี่เป็นคำสรรภาพของนักปต่วาทีโดยวิธีการใช้ศละปะนี่เป็นเพียงตัวอย่างในตัวอย่างอีกต่ง พ, พันพันเรื่องที่พระพุทธเจ้าเคยะจ น, นมาแล้วก็ส่งเอาชนะเพราะฉะนั้นการในการโตวาทีนี่บางครั้งก็ต้องใช้หลักตั ก, กรทั้งท้งที่พระองค์ไม่ต้องการจะใช้หลักต ก, กร แต่เนื่องจากในการหักล้างวาทะของผู้บรรดาเจ้าหมูสเจ้าคณะเจ้าศาสนาต่างๆพวกนี้บางครั้งก็ต้องใช้หนึ่งลอจิกเข้ามาเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นลอจิกจึงเป็นเครื่องมือสําหรับพาไปสู่ความจริงแต่ไม่ใช่ตัวความจริงและไม่ใช่ทางไปสู่ความจริงหากจะเป็นเพียงอุปกรณ์อย่าไปคิดว่าเป็นความจริงหรือเป็นเครื่องมือชี้ตรงไปถึงความจริงไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์จำแม้ว่าเป็นเพียงอุปกรณ์ เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงห้ามว่าในกาลามสุกมาตกระเหตุมาในยเหตุมาอาการะปริวิตักเจนะห้ามาให้ใช้ในกรณีที่ว่าจะให้ถึงความจริงแล้วอย่าไปใช้ในเรื่องนี้เลยแต่หากว่าในกรณีจําเป็นในการโต้ ว, วาทีจะหักล้างว่าทะกันแล้วบางครั้งก็ต้องอาศัยเป็นเครื่องมือได้และพุทธสาวกในฝ่ายมหายานีต้องจำเป็นต้องอาศัยหลักตร ก, กะเพื่อจะต่อสู้กับปัจฉิยาของพราหมครับ ในฝ่ายมหายานน่ะอาจารย์ที่มีชื่อเสียงส่งเป็นผู้ที่ตั้งศัตว์วิทยานยุคใหม่ของอินเดียคือท่านทินนาคเป็นชาวแทนอัมพระราชในอินเดียพัตตะมีชีวิตในตตศตวรรษที่สิบหลังพุทธศตรรษที่นานท่านทินนาคผู้นี้มีลูกเศรษฐีท่านธรรมจีรติเป็นผู้มีชื่อเสียงมากจากานกระทั่งนักปราบตะวันตกเขายกย่องว่าเป็นเอ็มมานูเอลขั้นธรรมจีรติกับทินนาคเนี่ย เอ็มมานูเอลคานแห่งตะวันออกทีเดียวเอ็มมานูเอลคานเนี่ยเป็นนักตรยิปตนักปรัชญาเมธีของยุโรปที่มีชื่อเสียงที่สุดในการทช้หลักตกกรกวิทยาสร้างหลักตรกวิทยาอธิบายแนวปรัชญาของเขาท่านทินนาคกับท่านธรรมเกติซึ่งเป็นคณาจารย์ในฝ่ายมหายาณแล้วก็เป็นชาวอินเดียใต้ด้วยกันนั่นท่านก็มีชื่อเสียงจนกระทั่งฝรั่งยกย่องว่าเป็นเอ็มมานูเอลคานของตะวันออก ได้สร้างหลักตรรกวิทยาในแนวพุทธศาสนาใหม่แต่ต่างจากตรรกวิทยาของพวกพราหมณ์ตรรกวิทยาของพวกพราหมณ์นั้นระดิวดรญญ า, ยายะนะครับเป็นของเก่าส่วนตรรกวิทยาในพุทธศาสนาในมหายานั้นไม่ระดิวรัญญ า, ยายะเรียกว่าเหตุวิทยาคือวิทยาที่แสดงเหตุผลวิเคราะห์เหตุผลจึงเรียกว่าเหตุวิทยา เนั้้าหากเราพบคำว่าเหตุวิทยาแล้วก็รู้ได้ว่านั่นเป็นเรื่องตักกวิทยาในศาสนาพุทธเรียกว่าเหตุวิทยาอาามหาวิทยาลัยสูงในอินเดียครั้งเมื่อศาสนาพุทธ ย, ยังรุ่งเรืองอยู่ได้บังคับวิชาเหตุวิทยานั้นเป็นหลักสูตรบังคับสําหรับพิสุสมัมมนายต้องศึกษาเพราะว่าหน้าที่ของพระเป็นนักเผยแผ่เมื่อเป็นนักเผยแผ่แล้วก็ต้องมีคนมาลองดีภูมิรู้ พวที่มาลองดีก็เป็นพวกเจ้ารักที่อื่นครับถ้าพระเนร ม, มีความรู้ในการแก้วาสีแล้วก็แพ้รับมีเรื่องปรากฏแล้วที่มุงเวสาลีในสตวรรษที่ก้ปรากฏว่าคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาตัววาทะแพ้พวกพรามณถูกเจ้ามุงเวสาลีออกกฎหมายห้ามไม่พระตีละครสแสดงธรรมแก่ประชาชนเป็นเวลาสิบสองปีเต็มๆจนกว่าสามมากต้วาสีเอาชัยชนะกลักคืนมาได้จนกระทั่ง คณาจารย์ในพุทธศาสนารูปหนึ่งชื่อว่าท่านคดันตะอารยเทวะซึ่งเป็นชาวลังกาเดินทางข้ามเดินทางข้ามทะเลมาอินเดียแล้วตรงไปที่ธรรมสาลาในมืองเวสาดีอีระครังเป็นการใหญ่แสดงว่าพวกผู้ที่จะมาแก้ลำแทนพุทธศาสนามีตัวแล้วเพราะฉะนั้นหน้าใดหน้าไหนคนใดเชิญ ม, มามาตัววาทีด้วยวาธีเป็นไดน้ปรากฏว่าท่านอารยเทวะ ได้สามารถโตวาทีเอาชัยชนะจากพวกรามและพวกไพรพิธิเป็นจำนวนตั้งร้อยร้อยลัธิท้ายแพ้ไปหมดพระธรรมจึงไม่รุ่งโรจขึ้นในเวสายีกวาระเเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนื่องจากความจำเป็นในการเพื่อที่จะพัฒน์ตัวศาสนาให้คงอยู่ตรกวิทยาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการโตวาทีอักล้างผู้ที่มาตั้งข้อปร ะ, ประวัต กพุทธศาสนาด้เหตุนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์ในขรั้งนั้นเช่นนาวันธาบิกรมามติราโอทันตะปุรีชคัคตะปุรีโสมนาตะปุรีรามตะปุรีซึงมหาวิยาสัยเหล่านี้โดยมากตั้งในแคว่งพิหารได้บรรจุหลักเหตุวิทยาลึกลอยยึดในพุทธศาสนาเขาไว้เป็นวิชาบังคับเช่นะที่จะต้องเรียนเนวิชาบังคับผู้ที่เรียนจบเ hey, หตุวิทยาแล้วจะต้องกลายเป็นนักพูดนักโตวาทะ ที่มีสีปากหาใครเตี้ยดตีายสามารถไปทำงานธรรมทูดอย่างได้ผลใครจะมาตั้งประเด็นข้อค้านสาหาพุทธในแง่ใดมุมใดเป็นสามารถแก้ความตัวใจซอกกลับไปได้หมดอันนี้เป็นหลักสาคัญมากความจริงหลักนี้นะ่ะในพุทธการก็มีอยู่แล้วเรียกว่าวิธีเรียกว่าเวทันลังซึ่งเป็นองค์งในสัพทุสาสตร์ของพระองค์เรียกว่าเวทันลัง เวทธรรงลักษณะคําสอนพระพุทธเจ้าที่มีลักษณะเป็นเวทธลังนั่นก็คือลักษณะการตั้งปัญหาแล้วก็มีคําตอบอธิบายเป็นคําถามคําตอบผู้ ง, ง่ายๆว่าเป็นวิชาอภิปรายธรรมะวิชาอภิปรายธรรมะน่ะพุทธสาวก เ, เรียนกันมาแล้วครั้งพุทธกาลและพระพุทธเจ้าเองเป็นผู้สอนซะด้วยเนี่ยตั้งปัญหาขึ้นแลว้วก็ทรงวิสัชนาเองแล้วมิฉะนั้นกมตั้งหัวข้อปัญหาหมอบเป็นการพุทสาวกนําไปอภิปราย การอภิปรายข้อธรรมะในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนั้นเราเรียกว่าเวทันลังยกตัวอย่างเช่นพระสูตรนี่เรียกว่ามหาเวทันละสูตรตุลเวทันลสูตรเป็นตัวอย่างยกสูตรสองสูตรนี่เป็นตัวอย่างเป็นคําถามคําตอบคําถามคําตอบคําถามคําตอบอาการที่ตั้งเป็นคําถามแล้วมีคำมีคําตอบนี่เพื่อที่จะซักซ้อมความเข้าใจในพิธธรรมของหมู่สาววใครถูกตอกถ้ามีอะไรสงสัยเครื่อแฝงอยู่ก็จะเรียมาตีแผ่ กันให้จันแจ้งกันไปเวททัพลังนี่แหละต่อมาโด้เขาคแปล ร, รูปเมื่อหลังพิจารณาแล้วเขาค่อยแปรรูปออกมาเป็นรูปของเหตุวิทยาหรือลอหยิกในพุทธศาสนาเนี่เพราะฉะนั้นเรื่นลอหยิกในพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องหลังพุทารณาที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็มีเข้ามาแล้วตั้งแต่ค ร, รั้งพุจารณาแต่ครั้งพุิการณะเนื่องจากพระองค์คอยย้ำอยู่เสมอว่าอย่าไปสนใจต่ออเรื่องการตีที่ปราบเลย ควรจะมาสนแกนในเรื่องปฏิบัติขับเก้ากิเลสดีกว่าหากตื่นในข้าปฏิบัติเพราะฉะนั้นความเจริญของตักวิทยามในพิศาสณาข้างพุทธการยิ่งยังไม่ปรากฏเพิ่งมาปรากฏหลังพุทการเพราะว่าข้างพุทธการน่ะพระพุทธเจา้าท่านมีพระชนมชีพอยู่ท่านก็เป็นผู้ออกรับสุดแทนสาวกเสียเป็นส่วนมากในเวลาที่มีพวกเจาหน้าที่มาตั้งข้อค้าน พระองค์ก่อนออกรัหน้าแทนหัก ล, าาหล้างวาทะเหล่านั้นไปในส่วนสาวกทรงให้ไปปฏิบัติจำนวนมากแม้จะมีภาษารีบุตรบงังพระมหาเมฆราณาบาะบังพระกุมารกาัตตาบังซึ่งเป็นเจ้าวาทะที่มีชื่อเสียงอย่างภาษารีบุตรเนี่ยสามารถหักล้างวาทะของนางชัมชัมภูปริพาชิกานักบุตรสตรีนอกศาสนาคนหนึ่งซึ่งตั้งวาทะหนึ่งท่านนี่ว่าตาวาทะปักจริงว่าลงบนกองตาย ที่มึงสาวาัตถีแล้วก็ท้าว่าใครถอนกลิ่นว่ามาตัววาระกันถ้าแพ้จะยอมให้ไปอตุ่มยันทาแกงจะทำยอะไรก็ยอมหมดหรือเขาจะเอาไปรินเมียเด็กจะยอมขึ้นนาดนี้ถ้าหาว่าแพ้แล้วก็ใครคิดจะเอาชายใดถ้าฉันตัววาระแพ้ชายใดแล้วชายนั้นถ้าไปชนะโบวถ์ต่ขนาะฉันเอาเป็นเมียฉันก็ยอมสิไปรินเมีมยผู้ชายคนนั้นอเออถ้าหาว่าเป็นนักบวชยังไงฉันกลับใจกับทิดิไปเป็นลูกศิษย์ฉันก็ยอมอ่หรือจะให้ฉันเป็นภาสีทาสาแล้วยอมหมดเขาไม่ละ ซาสวาะนางมีความมั่นใจว่าพิศทีของตัวถึงป่านนี้ปากิงว่าว่าเป็นกองทรายจริงว่ากองทรายนี่แหละไม่มีใครกล้าไปจับเพราะใครๆ ร, รู้ว่าน า, นางชัมพุ ป, ปริพาชิกาคนเนี้เป็นนักตีฝีปากสาคัญที่สุดเรื่องฝีปากแล้วใครจะไปเถียงกับคุณแม่คนนี้เลยสงคํานักเดียร์นะเขาจะว่าแล้วก็าปากจับจริงๆแต่ว่าธรรมดาปากจับอย่างทะเลอกกันเนี่ยไม่ได้ผลนะนี่ แต่ไอปักจัดแบบนี้นะ่ะเหตุผลพราวตัวเป็นนักโรจิตไม่มีใครจับเหตุผลเป็นตัวหมดเป็นนักปรัชญามเหตุผลเป็นตัวาตภาษาที่บุตรนิชบาตทานมาเห็นเด็กกาลังเล่นกองตอายรอบๆอยู่แต่ไม่มีเด็กคนไหนกล้าไปถอนไอหิงว่าต้นที่ปักอยู่ก็ถามเด็กว่าเฮ้ย hey, หนูอะไรวะไอที่ปักหิงว่าอยู่บนกองตายนะเด็กก็บอกว่าของคุณแม่ทําทําพผู้ปริพาชิกาครับผมทําไมเราปักเอาไว้ล่ะเขาทาไว้ ว่าถ้าใครขับล่างว่าถ้าเขาหนึ่งพันข้อได้นะเขาจะยอมเป็นอะไรสมบัติของคนคนนั้นหมดภาษาไอ้บุตรก็บอกว่าเออหนูถอนเถอะบอกผมไม่กล้าเพราะ้าฉันสั่งให้ถอนถ้าบริพาชิกาพู้นั้นมาถามว่าใครสั่งชี้ไปนะชี้ไปที่เฉตะวันนะบอกว่าชื่อสายบุตรเป็นสาวกของผ้าหลานเขามาพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งให้ถอนเด็กก็ถอนออกมา พอตอนเย็นนางชัมพู้ปริพาชิกาเดินผ่านมานางต้มาตรวจไอ้กิ่งว่างนั่นทุกวันน่ะเช้าหนุนเย็นหนุเดินมาตรวจ ด, ดูอว่าใครจะมาถอนบ้างหรือเปล่าตอนนี้มาถึงบ้านเด็กมือบอนพวกนี้เนี่ยมาถอนสิ่งว่างขาดาเด็กมองไม่ใช่วกหนูหรอกนั่นแหลพระสาริบุตๆนั่นอ่ะเป็นคนสั่งให้ถอนเ อ, อวท่านอยู่ที่ไหนล่ะก็ อ, อยู่เชตะวันอยู่ทิศน้นทิศนันนางชัมพู้ปริภาชิกาก็วิ่งแจ้งไปเชตะวันท้าตัววา่าท้าภาษาดิบ ภาษาลิบุตแก้ลายสดทั้งพันข้อเลยแพ้หมดทั้งพันขอ้อมีปัญหาของนางชัมผูปริพาชิกาแปกหมดทั้งพันขอ้อนางชัมพูปริภาชิกายอมแพ้บอกว่าถึงตอนนี้แล้วดิฉันเป็นสมบัติของพระคุณเจ้าแล้วสุดแต่พระคุณเจ้าจะไปทำอะไรก็ตามใจเธอภาษาลิบุตบอกฉันมาทำอะไรเธอไม่ได้หรอกน้องหญิงเอาเถอะเมื่อเธอยอมแพ้แล้วเธอจงมาเป็นพุ้ต่สาวิกาเธอนะอ่าเลย นางชัมพุปริภาชิกาเลยกลับใจออกบวชเป็นนางีิสุณีได้บรรลุภารหันในที่สุดนี่นนแม้แต่สตรีในครั้งนั้นยังมีความสามารถเห็นปาณินี่เพราะฉะนั้นพ อ, อหลังพุทธกาลแล้วไอ้ความทะ เ, เรลรอยเด็กของขินายายะนะ่ประชยาสาขาอื่นๆเขามาใช้หมดในพุทธศาสนาเราก็ต้องมีท่านพินนาที่ว่าเมื่อครู่นี้ได้แต่งทำพีต ก, กรวิทยาในพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุด คมทีเล่ม น, นี้ชื่อว่าประมาณสมุดใจลูกศิษย์ของท่านคือท่านธรรมกเจียรติแต่งหนังสือตะกบิทยาถึงสิบเอ็ดเล่มมีเล่มที่มีชื่อเสียงมากชื่อว่าันราะ ย, ายะพินทุระ ย, ยะพินทุมีชื่อเสียงมากในคำทีประมาณสมุดใจนี่ท่านทีหน้าได้วิจารณ์องค์ห้าองค์ของหลัดอนุมาน ของตักวิทยาพรามที่ประกอบด้วยปฏิญญาเหตุอุทาหรณ์แล้วก็อุปนัยนิคมว่าห้าองค์นี้นะ่ะปุ่มเปือยเกินไปความจริงนะ่ะเหลือสามองค์ก็พอคือตักอุปนัยกันนิคมออกคงเหลือปฏิญญาเหตุกับทาหรณ์ก็พอแล้วอุปนัยกันมีคมไม่จำเป็นเลยถ้าเรายกอุทาหรณ์ขึ้นมาย้าแล้ว อุปายก็มีคมนะรวมนอุทาหด้วยนะเช่นว่าปล่องปล่องไฟปล่องมีควันเหตุปล่องมีควันเป็นปฏิญญาเหตุลองมีปล่องไฟมีควันนะเหตุอะไรเหตุเพราะมีไฟปล่องมีควันเหตุเพราะมีไฟอุทาหออุทาหอแล้วเตาไฟไงล่ะเตาไฟมีไฟก็มีควันนี่ อุปนัยไม่จำเป็นนิคมไม่จำเป็นอุปนัยกับนิคมน่ะเอาขอมาก็ะุ่มเฟือกไปเปล่าเพราะฉะนั้นตั ก, กวิทยาและพุทธศาสนาจึงมีสามองค์แตกต่างของข า, งางเขามมีห้าองค์ของพุทธมี3ามองค์คือมีเพียงตัิญญาอันเป็นบทตั้งที่เราจะมาวิเคราะห์ความจริงแล้วก็เหตุแสดงเหตุผลแล้วก็อุทาหรณ์คือตัวอย่างพอแล้วแค่นี้ มันจะเป็นตั้งสาอุปนัยกับมีคมเข้ามาการใส่อุปนัยกับมีคมเข้ามาเนี่ยเป็นตามกลุ่มเพื่อได้เปล่าเพราะฉะนั้นศักดิวิทยาในพุทธศาสนามาถึงสมัยท่านพิ น, นากยีงย่อห้าองค์ของพระที่นยายะเหลือเพียงสามอันรรประกอบเป็นปติญญาเหตุอุทาหนพอแล้วสามขอ้อนี้แต่ในสามข้อนี้นะท่านทั้งหลาย ทำไม พ, พระพิเศเจ้าจึงไม่ยกย่องว่าตากวิทยาเป็นอันติมะของสัจจะทำไมถึงไม่ยกย่องผมยกตัวอย่างในงานนี้เถอะว่าเราถึงควันแล้วบอกปลองไฟตรองนั้นมีไฟเพราะมีควันใช่ไหมอนุมานนี้ก็ดูเป็นเหตุผลดีอยู่ยกตัวอย่างว่าเตาไฟไงล่ะเตาไฟมีไฟก็มีควันเพราะฉะนั้นปนนล่องแม้เราจะไม่เห็นไฟล้วก็อนุมานได้ว่ะในปล่องนั้นะ มีไฟ้าเราเห็นควันพุ่งเข้ามาจับปล้องไอ้ควันนี่แหละเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องประกาศที่ให้เราอย่างทราบได้ว่าไม่ปล้องนั้นมีไฟถ้าดูเหตุผลเพียงชั้นนี้ก็ น, น่าฟังแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงเสมอไปนี่ครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยดทีฉีดเยอะๆมันก็มีควัน ถ, ถ้าเอนใครจะปะโดนไปเอาดดทีชี ไปในใต้กล่องฟองไปในโรงงานโดยที่ไม่ได้เดินเครื่องมันมีเชื่อไฟเลย B B P ฉีดเป็นการใหญ่แล้วควันพุ่งอมาจากกลองแล้วเราจะใช้หลักของเราหยิกตัวว่าตรงไฟนั้นมีไฟเพราะเราเพราะมีควนันรอหยิกอย่างนี้ถูกต้องไหมเป็นตจรกะไหมเราจะเห็นได้ว่าไม่เป็นตรรกเะเสีแล้วที่ใดมีควันที่นั้นมันจะมันต้องมีไฟที่ใดฉีด D B P เยอะๆที่นั้นควันพุ่งออกไป D B P มันจะไฟเนี่ยเอ้อ เพราะนั้นในการที่เราจะวิเคราะห์บอกว่าพี่เราเห็นควันก็รู้ว่าที่นั่นจะต้องมีไฟทั้งๆที่ตัวเราไม่ต้องไปที่นั่นไม่ต้องไปเห็นไฟไปดูกตาเราเองเพียงแต่เห็นควันมันเคลื่นมาแล้วก็แสดงว่าที่นั่นมีไฟไม่จริงไม่จริงเสมอไปเพราะเหตุนี้รอยจริงไม่ใช่สัตจักแต่เป็นเป็นเพียง เ, เครื่องมือสําหรับให้รับพิสูจน์ในกรณีสัตจักบางกรณีได้เท่านั้นไม่ใช่ตัวสัจจักแท้ พระพุทธเจ้าจึงไม่จึงไม่ยกยอกจึงได้ห้ามว่าในในคําว่ามาตะกเตุมาในยะเหตุอย่างอย่างเนี้อ่ถ้าเพื่อพระองค์ไปยกย่องว่าตยยกๆๆะตกมิทยาเป็นปัจจะเป็นของจริงใช่ถูกต้องเป็นปัจจธรรมแท้ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นเรื่องน่าเราะในกรณีที่เรียกว่าที่ใดมีควันในนั้นมีไฟถ้าว่ามีดีบ เ, เยอะยะก็มีความือนกันโดยจ้องอาศัยไฟอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการพักฐานหลักของหยิกตได้แล้วในการใช้หลักอนุมานอ่ะ เพราะฉะนั้นอนุมานทุกกรณีจึงไม่ใช่ว่าอนุมานแล้วจะถูกความจริงเสมอไปอาจจะถูกความจริงตเก้าเรื่องแต่ไปไม่จริงเรื่องเดียวก็ใช้ไม่ได้แล้วแสดงว่าเวิชาอ น, นั้นไม่ใช่สัจจะแล้วพิดกับหลักอริยสัพพอริยสัพพะไม่ว่าจะสมัยใดเมื่อใดขณะใดเราเอาอาริวิเคราะห์ความจริงในอริยสัพพะแล้วก็ถูกแทงทุกทีว่าทุกมีที่ไหนเหตุเ ก, กิดทุกมาจากปัญหาต้องมีที่ไหน น, นะอ่า แล้วความดับทุกข์ก็เป็นบที่ตัญหาปันหาไม่ดับทุกข์ก็ไม่ดับมันก็เป็นความจริงทุกกรณีไม่ว่าจะพิสูจน์กี่ร้อยกี่พันครั้งมันก็ได้ความจริงมาเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นอริยสัจจริงเป็นเรื่องตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงเป็นปัจจธรรมเรื่องใดเป็นเรื่องตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นปัจจธรรมได้ส่วนเรื่อง logical มันยังไม่ตายตัวมันเปลี่ยนแปลงได้ในบางกรณีเพราะฉะนั้นรา g i c a l หรือตรรกวิทยาจริงไม่ใช่ปัจจัยธรรมแท้นะ มีตัวอย่างในชาดบทที่แสดงให้เห็นว่า เ, าเรื่องของตักกะนะใช่ไม่ได้ในกรณีค้นหาปัจจัในอปัพนกชาดบทท่านเล่าบอกว่าพระโพธิสัตว์สวยชาติเป็นนายกองเลียนพ่อ้าคุมสินค้าไปขายในต่างแดนแล้วก็มีพ่อค้า2องคนเป็นเพื่อนกันต่างคนก็มีเกวียนบริวารพวกละห้าร้อยหรอยเล่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 คือพอค้าคนนี้ไม่ว่าจะไปตีตลาดก่อนอาจจะได้ราคางามถ้าเราไปทีหลังเข้าละก็สินค้าเราจะกลายเป็นเดน่นเข้าซื้อเขาขายกันไมหมดแล้วเราพาไปก็จะตายเป็นเด่นไปเพราะนั้นขอไปล่วงหน้าก่อนถ้าผู้พิสูจก็ยอมยอมเสียตลาดโอกาสให้พอค้าคนนี้ก็คุมลูกน้องไปให้บรรทุกอาหารบรรทุกน้ํำคือจะไปกินในถิ่กนการดานได้พอุมควรทีเดียวคุมกันไปเป็นขบวนใหญ่ล่วงหน้าไปหลายวัน พอไปถึงที่ถิ่นกันบานเขาเห็นคนหมู่หนึ่งนั่งเกียนน้อยๆสวนทางมาคนหมูหน่นี้น่ะตัวเปียกผมเปียกในมือกำลังแคะเน่าบวัวกินกันตัว ๆ, วๆอร่อยๆเคี่ยวมันๆหวานๆแล้วก็เอาดอกอุบงเนี่ยมาทับจป็นคือประดับกายตามขาตามมือนี่มีโคลนแฉะเปื้อนติดอยู่เสื้อผ้ามีโคลนติดมอมมันๆมันๆอยู่ ตัวเลือกเปียกหมดผมเผาเปียนเป็นเดินสวนทางมามาถึงก็มาจ่าเอกกันเขาพวกที่สวนทางมาก็บเอ้ยท่านบูชาเลยท่านจะไปขนตุ่มน้าใส่น้าไปทําไมนักเวียนประเราอู่ทางข้างหน้าฝน ต, ตกใหญ่เมืองนองไปหมดบอ่อน้ําก็มีปะโบกรเมก็มีพวกเราไปไหว้น้าเล่นมีปะโบกรเมหากเอาดอกบัวมาประดับกายขุดเอาเน่าโบืรับประทานนีเห็นไหม ตันี้เปียกรอนอยู่เห็นไหมล่ะว่างั้นเออพวกพ่อค้ารายนี้ก็เห็นเออจริงแฮะเรานี่โง่เนี่ยข้างหน้ามีน้ำมีท่าพ้นตะกน้ำท่าก็บริบูตแล้วทำไมเร่มันขนน้ําเป็ น, น, นกระออมกระออมตักใส่ห้ยใส่ตลุ่มันทุกเกรให้หนักไปทำไมฝังหุ่นล้อหม้อต่องค์ทิ้งให้น้าออก่วยการจะได้ไปวันหน่อยเกรมันหนักครับเร็วเดี๋ยวพ่อค้ารายที่สองจะตามมาทําน่ะเราต้องรีบไปตีตลาดสักช่วงหน้าก่อน ลอยองทึ้นหมดน้ำท่าไหลหมดแล้วไปกินเอาน้ำขนาพวกนี้พอไปถึงไม่มีน้ำให้กินไม่มีน้ำเลยวันนี้ก็จบเรื่องตะกัติยาเพียงสังเถตเพียงคำนึงนะ